นี่นะจะมีงานใหญ่ประจําปีงานหนึ่งนะของวัดป่าสุกโตปีหนึ่งงานประจําปีก็มีไม่กี่งานนะนะมีทอดกรถินแล้วก็ธรรมยทตาแล้วก็บวชเนนภาคฤดูร้อนนี่แหละงานกระถินนี่ก็จัดแค่วันเดียวนะธรรมยทตาจัด8วันนะแต่ว่างานบวชเนนแล้วก็ศีลจารีเนี่ยนี่สามอาทิตย์นะ แล้วก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญนะของทางวัดแต่ก่อนก็เป็นงานเล็กๆนะแต่ว่าตอนหลังก็ขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่ามีเด็กชายเด็กหญิงนะเนี่ยหรือก็เรียกว่ากุลบุตรกุลธิดานนะสนใจนะจริงๆเด็กอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะพ่อแม่สนใจมากกว่าก็ทั้งขอร้องทั้งบังคับทั้งเชิญชวนให้ ต้งลูกชายลูกสาวนี่มาบวชที่นี่เราไม่มีบวชพระฤุดูร้อนนะหลายแห่งนี่เขามีบวชพระฤดูร้อนบางทีก็เลยซนๆบวชรดูร้อนนะแต่ว่าที่นี่เรามีบวชเนรนะภาคฤดูร้อนแล้วก็มีศิลจารณีด้วยนะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะให้เด็กๆนะได้มาพบกับประสบการณ์ ที่มีความสำคัญในชีวิตนะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมนะนักเรียนปิดเทอมกันทั้งประเทศแล้วหลายคนก็ต้องไปเรียนพิเศษนะพ่อแม่นะเชี่ยวเข็นให้ไปเรียนพิเศษสมัติ ม, มานะตอนเป็นเด็กก็เหมือนกันนะตั้งแต่ป .1 ถึงป .7 นี่ปิดเทอมแล้วนี่ไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นเขานะต้องไปเรียนพิเศษ พอเข้าพอขึ้นมัธยมศึกษาเนี่ยสมัยก่อนเป็นมัธยมศึกษานะไม่ใช่มัธยมเฉยๆก็ไม่ได้เรียนละพิเศษแต่ว่าจะว่าไม่ได้เรียนพิเศษก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ไปไปเข้าโรงเรียนหรือไปเข้าชั้นเรียนเหมือนคนอื่นเขาหรือเหมือนก็ปีก่อนๆแต่ว่าก็เรียนตัเรียนด้วยตัวเองจําได้ว่าพอถึงฤดูร้อนนี่ก็ หน้าร้อนนี้ก็ไปหอสมุดแห่งชาตินะบ้านอยู่แถวมหานาคเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากหอสมุดแห่งชาติแล้วก็ไปอ่านหนังสือนะไปอ่านหนังสือเองนะสมัยนั้นเนี่ยมันมีบางห้องที่ติดแอร์นะหน้าร้อนนี่เราก็ไปเข้าห้องแอร์นะอ่านหนังสือค้นคว้านะนเรื่องที่อยากชอบเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าเรียนพิเศษแต่ว่าเรียนเองที่นี่ก็เปิดเรียนพิเศษนะแต่ว่าไม่ใช่เรียนพิเศษเหมือนที่อื่นเขานะเด็กๆทั้งหญิงและชายเนี่ยจะมาเรียนพิเศษกันนะที่วัดป่าสุกโตเป็นการเรียนพิเศษจริงๆพิเศษแปลว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกับเรียนที่อื่นหรือว่าไม่เหมือนกับที่เคยเรียนทั่วๆไป วิชาที่มาเรียนที่พระป่าสุก โ, โตนี่ไม่เหมือนกับวิชาที่เด็กๆไปเรียนที่โรงเรียนอยู่แล้วอันนี้พิเศษแน่นอนนะแล้วก็มันพิเศษด้วยนะนะพิเศษเนี่ยความหมายนึงก็คือว่าทำให้มันเป็นของดีของประเสริฐนะเรียนพิเศษที่นี่นีนะ่ถ้าตั้งใจเรียนก็จะวิเศษนะวิเศษี่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีฤทธิ์นะ มาสัจจันทร์ห่อเหินเดินอากาศได้แต่ว่ารู้จักนะครองตนนะได้อย่างดีอันนี้ทำให้คนเราเป็นคนพิเศษนะถ้าเรารู้จักครองตนได้การครองตนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สมัยนี้นะสถาบันการศึกษาสมัยนี้ไม่รู้สนใจแค่ไหนแล้วก็มีปัญหามากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยนะพ่ายแพ้ต่อสิ่ง ลอเราย้ายวนมากเดีย๋ยวนี้เวลาอาจารย์เนี่ยบรรยายหน้าห้องเรียนนะนักเรียนหรือแม้แต่นักศึกษานี่ไม่ได้มองกระดานนะนะก้มหน้านะก้มหน้าก้มหน้าไม่ได้ไม่ได้จดบันทึกเลยนะนะก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยอันนี้แม้กระทั่งในโรงเรียนแพทย์นี่อาจารย์แพทย์ก็บ่นนะว่านักศึกษาแพทย์นี่ไม่มองอาจารย์เลย เวลาจา์บรรยายไม่มองกระดานด้วยเอาแต่ก้มหน้านะแชทมั่งไลน์ม้งางล่ะเฟซบุ๊กมังละ่งละอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักคลองตนนะก็คือว่าไม่สามารถจะควบคุมบังคับจิตใจให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องสามารถจะทำกิจการงานที่กำลังทำเฉพาะหน้าได้ถ้าเราคลองตนได้เนี่ยนะ ก็หมายความว่าเราไม่หวั่นไหวนะต่อสิ่งยั่วยุแล้วก็ไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งเย้าวยวนนะเดี๋ยวนี้นะเป็นกันมากนะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะบ่นว่าโอยเดี๋ยวนี้ลูกๆนี่นะติดเกมตื่นสายหรือว่าเอาแต่เที่ยวเล่นบางทีก็ กลับบ้านดึกนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ติดผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็หลงผู้หญิงเนี่ยพ่อแม่มักจะบ่นอย่างนี้เลยเพราะเวลาที่ลูกเริ่มโตนะเป็นวัยรุ่นเนี่ยอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยนะพ่ายแพ้ต่อสิ่งรอดเราเย้ายวนซึ่งมันก็มีรูปแบบมีหลายวิธีนะหลากหลายมากเกมนะีออนไลน์เนี่ยก็อันหนึ่งละหรือว่า การสนทนาแบบไม่มีสาระเนี่ยที่เขาเรียกว่าแชทเนี่ยเดี๋ยวนี้เตด <_ d ick> เด็กเตดกันมากผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเป็นมากเหลือเกินบางทีผู้ใหญ่เนี่ยไปไปว่าแต่เด็กนะแต่ที่จริงผู้ใหญ่ก็เป็นกันเยอะนะที่เด็กเนี่ยนะรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยพ่ายแ พ, ยพย้ต่อสิ่งเราเราเย้ายวนก็เลยคลองตนไม่ได้ปล่อยให้กิเลสนะปล่อยให้ความอยากความหลงมันครอบครอบงำอันนี้เรียกว่าคลองตนไม่ได้ หรือไม่เช่นนั้นก็วันไหวต่อสิ่งยุออย่ยยุเช่นคำต่อว่าคำทักท้วงแม้แต่คาตักเตือนของพ่อแม่ถึงนี่เด็กก็วันไหวมากนะก็คือขัดเคืองนะขุ่นเคืองไม่พอใจนะแมะ่ทักท้วงแม่ตักเตือนแม่ตาหนิหรือแม่เตะนิดหน่อยมางทีก็โกรธนะก็ฟัดกเฟียด ส่วนหนึ่งไอ้เป็นเพราะว่าการสะสมก็ได้พ่อแม่ทำาบั้นเป็นประจำนะเด็กก็สะสมความไม่พอใจไว้แล้วก็ไม่รู้นะว่าไอ้ความไม่พอใจนี่มันเพิ่มพูดมากขึ้นเพิ่มพูดมากขึ้นจนบางทีมันก็ระเบิดนะเด็กไม่สามารถจ ะ, ะควบคุมตัวเองได้เพราะว่าไม่รู้ทันอารมณ์เหล่านี้นะแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าโดนมาเล่นงานเนะี่ย อันนี้เรียกวาพ่ายแพ้นะต่อสิ่งรอสิ่งยั่ว ย, ยุนะการมาบวทเน้นๆ น, เนะอาจจะไม่ได้เพิ่มให้เพิ่มวิชาความรู้ให้กับเด็กเท่าไหร่นะวิชาความรู้ก็ต้องไปหาเอานะที่โรงเรียนนะหรือโรงเรียนกวดวิชานะแต่ความรู้ที่ว่าที่จริงเนี่ยมันก็เป็นความรู้เพื่อให้สอบได้นะไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะมาใช้งานได้ในชีวิตจริงๆ หรือแม้แต่เอามาใชนะ้ในการประกอบอาชีพในอนาคตนะวิชาที่เรียนกันในโรงเรียนกฎวิชาเนี่ยโรงเรียนเติวเนี่ยนะมันทำให้แค่สอบได้เท่านั้นแหละแต่ว่าเอามาใช้จริงไม่ได้เอามาใช้จริงในที่เอามาใช้ในการทำมาหากินนะไอวิชาเหล่านี้เนี่ยที่นี่ช่วงที่สอาทิตย์ต่ อ, อ่างนี้ไปนี่เราก็ไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่นะ สอนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำอาหากินอย่างทั่วๆไปหรือการประกอบอาชีพนะแต่เป็นเรื่องการดําการใช้ชีวิตนะเช่นจุดไฟได้นะทําครัวได้ทุงอา ห, าหารกินเองได้หรือแม้แต่รู้จักพับเก็บที่นอนรวมทั้งซักจีวรซักเสื้อด้วยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะต่อการดําเนินชีวิตนะ อาจจะไม่อาจจะเอาไปใช้ทำหมากินไม่ได้เพราะถึงนี้เขาก็ไม่ได้วัดกันตรงนี้นะเขาเอาเขาดูปริญญานะแต่ว่าใ้เรื่องการเอามาใช้กับชีวิตเนี่ยนะที่นี่นี่เราจะเราจะสอนนะเด็กจะมาเรียนรู้เรื่องนี้เยอะเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่ปรุงอาหารได้ติดไฟได้นะแต่เป็นเรื่องการครองตนเลยนะให้มีสติให้มีสมาธินะ ให้มีปัญญาแล้วก็ความอดทนขันตินะสี่อย่างนี่สำคัญมากนะที่จะช่วยทำให้ครองตนได้และครองตนเสร็จเนี่ยก็จะออกมาเป็นพฤติกรรมที่งดงามผู้สุภาพนะพูดดีทำดีมีกรุณาเอื้อเฟื้อกู้กูณผู้อื่นแล้วก็เสียสละส่วนรวมรวมทั้งมีวินัยด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนร่หมาหาเฉลยนะ สอนน้อยนะหรือไม่ได้สอนเลยนะถ้าเป็นมาวิทยาลัยแต่ว่าที่นี่เราจะเราจะมาฝึกสอนกันเรื่องนี้มากจึงเป็นการเรียนวิชาพิเศษนะเป็นการเรียนพิเศษนะไม่ได้ไปโรงเรียนติวไม่ได้ไปโรงเรียนควิชาแต่ได้มาเรียนพิเศษที่นี่แน่นอนแล้วก็เป็นพิเศษที่มันทำให้เราวิเศษด้วยก็คือครองตนได้นะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสตัณหา สามารถที่จ ะ, ะมั่นคงอยู่ในคุณธรรมแล้วก็มีความสุขเรียนมามากมายแต่ไม่มีความสุขนะอันนี้มันก็คงไม่ใช่การเรียนที่ถูกต้องแม้จะมีเงินทองเยอะแยะ ก, ก็ตามอลาะนะก็พอสมกวรแก่เวลาเตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังขอยอิทธิผลที่ต้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วยิบาเมีวาสมีชาตูจองสำเร็จโดยชาพร สาวเพผู้เรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาาัตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมานิโชเจรโสยาาัตาเหมือนแก้มณียานสว่างสวัยควรยินดีสาวพีติโยวิวัชันตูวานจนรารายท้งปวงจงบำราบไปสาวพอโรคโควินสัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเทพาวะวันตรารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสิริสันิจังวุทาปัจจายโนจตตาโรโธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาละต่านสี่ประการคืออายุวันนัสุขังละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจประวัตุส า, สาพมังคลังกอสาพมงคลจงมีแก่ท่านพราคันตุสาพระเทวตาอร่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาภุนทานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาสภาสังภาอนุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ศาทาโสทิภาวันตุเตพอความสสดีทั้งหลายจงมีแค่ท่านทมเมื่อธรม